เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายบทที่22ความสุขฉบับแบบแผนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุทธ์โตแนะนําเนื้อหาเบื้องต้นโดยผู้บันทึกเสียงความสุขฉบับแบบแผนคือตามหลักการจากพรไตรปิฎกบาลีพุทธพจน์จุดหมายของพุทธศาสนาคือบรรลุ ถ, ถึงสุขสูงสุด คือนิพพานดังพุทธพจน์ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือในการปฏิบัติธรรมขั้นต้นก็มีพุทธพจน์ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขและการบำเพ็ญทางจิตมีสุขเป็นปัจจัยสำคัญดังที่ตรัสว่าผู้มีสุขจิตยอมตังมันคือเป็นสมาธิการบรรลุธรรมจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข ไม่ใช่บรรลุด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ความสุขมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าพุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุขหลักสําคัญที่ต้องเข้าใจให้ตรงคือศาสนาพุทธสอนให้รู้ทุกข์และพัฒนาตนเพื่อให้มีความสุขแต่ไม่ใช่เพื่อหาความสุข ชาวพุทธมักพูดสอนกันแต่ในเรื่องทุกจนมักเข้าใจผิดรังเกียจความสุขว่าเป็นของไม่ดีและมองข้ามเรื่องนี้ไปทั้งที่เป็นเรื่องสําคัญที่ควรเข้าใจวางท่าทีและปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่ว่าทุกข์สําหรับเห็นสุขสําหรับเป็นหนังสือพุทธธรรมให้ความสําคัญแก่เรื่องความสุข เหมือนยกขึ้นมาเน้นหรือทำให้เด่นขึ้นเป็นบทใหญ่ถึงสองบทคือความสุขฉบับแบบแผนซึ่งท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้และบทต่อไปคือความสุขฉบับประมวลความซึ่งเป็นบทสุดท้ายแห่งหนังสือพุทธธรรมที่ควรได้ศึกษาทั้งสองบทเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนสาหรับการศึกษาหนังสือพุทธธรรมนั้นควรได้ฟังตั้งแต่บทนาแห่งพุทธธรรม และฟังตามลำดับบทจะดีที่สุดนะครับเนื้อหาในพุทธธรรมคือพุทธพจน์ที่มีมาในพระไตรปิฎกที่รวบรวมหลักธรรมสำคัญนำมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่แยกเป็นหัวข้อจัดเรียงตามลำดับเพื่อการศึกษาได้ง่ายและครอบคลุมพร้อมคำแปลศัพท์ในความหมายที่ถูกต้องโดยอ้างยิงที่มาโดยละเอียดเรบุไว้ในหมายเหตุในหนังสือครบถ้วน ตัวอย่างหัวข้อภายในลักษณะสําคัญของนิพพานความสําคัญของความสุขในการปฏิบัติธรรมรู้จักการมสุขเสบบริโภคอย่างมีปัญญาการมสุขของมนุษย์ของสวรรค์และสุขที่ดีกว่านั้นส่วนเสียของการมสุขความสุขที่สูงขึ้นไปตามลําดับขั้นฌา น, นสุข สุขในสุปราณีตความสุขที่เหนือเวทนาจนถึงนิพพานในสุขสุขสูงสุดวิมุตติสุขสุขเต็มสุดความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได้หลักการพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าความสุขลุถึงได้ด้วยความสุขวิธีปฏิบัติต่อความสุข และสรุปแนวทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุขอ่านโดยอริยคุณชุมรงผลดีร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรครอบครวัวคณิตวิชาคุณภาลินีสมบัติวุฒิวงศ์เจ้าภาพรองวิโรธตั้งเดชหิรันครอบครัวสีโภคาครอบครัวอิมวงศรีสุเมรคุ้มวงน้าอ้อยเซเมอร์สุดารัตตั้งตรงวานิชสุภกิจนิมมานนรเทพ